วกมาเรื่องการเมืองหน่อยหนึ่งนะปัญหาการเมืองนี่คือปัญหาคนนะแต่เพียงแต่ ว, ว่ามันอยู่ในองรวมมันหลายคนคิดแบบนี้มันก็เลยเป็นความคิดเยอะเมื่อความคิดเยอะมันรวมตัวมันเป็นพลังคนคิดแบบเดียวกันปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยหนปัจจุบันเนี่ย แต่พูดถึงเรื่องภายในก็เกิดจากความโลภโกรธหลงเกิดจากความไม่รู้รูปลูปป้นามมา น, นี่แหละทีนี้ถ้าเป็นการเมืองก็เป็นเรื่องของประชาธิประทยคือคนส่วนมากเสียงส่วนมากเข้าว่าสมัยก่อนเนี่ยการเมืองมันกระจุกอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนคิดคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนทำํำ คนกลุ่มหนึ่งเป็นคนกินคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนใช้ภาษีทั้งประเทศเนี่ยกลุ่มนักการเมืองก็ดีกลุ่มอะไรก็ะเดียมันเป็นคนกลุ่มชั้นสูงขึ้นไปหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันพัฒนามดนะมันรับรู้กันหมดนะว่าใครทําอะไรไม่ทําอะไร มันมีสังคมมีโซเชียลเน็ตเวิร์มีนู่นมีนี่มันไปไกลมันรับรู้หมดสื่อสารโทรคณนาคมมดบ้านนอกเที่ยวนี้บ้านนอกมีไหมมันแทไม่มีนะบ้านนอกเดี๋ยวนี้หาไม่มีนะประเทศไทยนี่หาบ้านนอกไม่มีนะมันอยู่ดีกินดีมันสะดวกสบายนะ หาเขาว่าบ้านนอกไม่มีหาคําว่าชนบทแทบไม่มีนะเดี๋ยวนี้เด็กแคนทรี่นี่ไม่มีแหละเดี๋ยวนี้ไปดูที่ไหนก็ไม่ค่อยเป็นนะมันเจริญเร่เาเท่ากันเขามีรถที่นั่ไม่มีรถในะบ้านนอกก็มีรถนะในเมืองมีอะไระเขาก็มีหมดนะ่ะจานเราทงเราวเทียมแล้วเขมีมอสเงินทองเข้าของในเมืองเป็นหนี้ว่า น, นอกก็เป็นหนี้นะ เป็นหมดเนะ่เขารับรู้หมดทีนี้พอรับรู้นี่เศรษฐกิจมันมาเศรษฐกิจมันดีมากเลยเนี่ยคือคนทุกคนเขามีมีมีมีมี ม, ม, มีไม่พูดถึงเรื่องค่าหัวนะเป็นโนเป็นนี้แต่สุดท้ายคือเขามีแหละมีจับมีจ่ายมีสมรรถภาพมีอนุภาพมีพลังในการซื้อรูปรสกิ่นเสียงนี้ได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีสูงเดี๋ยวนี้นะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมันเจริญคนมีเงินมีทองมีความสุดวกสบายมีรถมีลามีรถมีนี่มีการสามีอะไรนี่มันมนุษย์มันเป็นธรรมชาติมันอยากมีชื่อมีเสียงอยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นคนจัดการอยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวนี้เราก็อยากเป็นเจ้าของประเทศนะ แต่ก่อเราไม่ได้อยากเป็นนะไม่ได้อยากเป็นปล่อยให้คนบางกลุ่มเป็นเจ้าของประเทศแล้วเขาก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมเราส่งสอสอเข้าไปส่งนั่นส่งนี่เร็วไปเรื่ช่างหัวมันเยอะแล้วแต่มันจะเป็นนะเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะกินจะดื่มอะไรเป็นกินเห็นกินทสายกินกวดกินเหล็กกินอะไรก็กินไปกินงบประมาณกินนั่นกินนี่เราไม่เคยสนใจเรื่องการตรวจสอบ ไม่ได้วอใจใส่ทำมาหากินนี่กูก็แทบตายแล้วจะไปนึกถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองแมวแต่มันไม่มีเวลาตื่นเช้าออกนาพาเจ้าทุยหลุยทุ่งสองชีวิตมุ่งไถท้องทุ่งนากว้างไปทางโน้นชีวิตมันไปทางโน้นก็มีความสุข ในระดับหนึ่งแต่นี้นี่ชีวิตมันถูกผูกมัดเข้าไปอยู่ในวงจรตื่นมานะนะเอาโทรทัศน์มาตั้งตาจ้องจึ๊กเข้าไปอีกมองดูนะใส่กระปุกกล่องดาวแดงดาวดำดาวอะไรเข้าไปนะเนี่ยนะพมีลีกแล้วแต่จะใส่นะแต่นะก่อนรู้จักแต่ฟุตบอลอังกฤษเดี๋ยวนี้ลาลิก้ารู้ กันโชวซีรีเอซีรีอารู้หมดนะเดี๋ยวนี้ครืบคลานไปถึงนู่นอนะ่ะบอลบราซิล โ, โคปาเมริกาเลยรู้หมดนะมันไปไกลนั่นมันเริ่มคุยภาษาเดียวกันมันความคุยนี่มันอยากเข้าไปลึกๆนูนะ่นอ่ะมันคุยเข้าไปลึกเข้าไปลึ ก, ลกเข้าไปลึกเข้าไปมันไปรู้เรื่องทุกเรื่องนะแล้วคนนี้มันอยากมีบทบาทอยากเป็นผู้บริหารประเทศมันไม่ได้ แบกไทยออกนาพาเจ้าทุยดูทุกเหมือนเมื่อเดิมน่ะขับรถโก้เข้ากรุงเทพมาในเดี๋ยวนี้เราก็คือเจ้าของประเทศคนหนึ่งเศรษฐกิจมันดีแต่รู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ขยับมาการเมืองมันไม่ขยับเพราะมันมันกระจุกอยู่ในคนกลุ่มที่มัวกินมัวดื่มมัวนั่นมัวนี่มัวบริหารอยู่ทุกแฉกอยู่เนี่ยมันนี่ไปหน้ามาหลัง ฉะนั้นคนนเี่มันเจริญมากกว่าเศรษฐกิจมันเจริญมากกว่าพอเจริญมันรับกันไม่ได้พอรับกันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาฉนั้นการเมืองนี่มันต้องสอดคล้องนะสอดคล้องกับความเจริญทางสังคมต้องสอดคล้องกับการเจริญทางด้านเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมันดีมากๆแบบนี้เนี่ย มีเงนินมีทองมีเข้ามีของสามารถซื้อได้ทุกอย่างรูปรถกินเสียงแบบนี้มันก็จะไปติดตรงอัตตานั้นคนไหนที่เห็นด้วยกับเรามาทางนี้เนี่ยทีเนี้ยคนไหนที่เห็นด้วยกับเขาไปทางโน้นเอานะมันก็เป็นฝกักเป็นฝ่ายมันดีนะกลุ่มนี้ทําไม่ดีทําไม่ดีเพราะอะไเขาก็มีข้อมูลมีหลักฐานมีฝ่ายนั่นก็มีหลักฐาน น, น, า น, นี่เอาอะไรทีนี้ สมมติตัวตนมันจะมาทันทีนี่แหละด้านในระดับประชาธิปไตยนะอืแต่ก่อนเรามองว่าบ้านนอกคือบ้านนอกแต่นี่บ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกนะบ้านนอกมีมันสมองจบปริญญาตรีเท่ากับในเมืองนะจบปริญญาโทแต่ก่อนในบ้านนอกแต่ก่อนอย่างหมู่บ้านในตำบลนี้ยังไม่เคยเห็นด็อกเตอร์เดียวนี้มีนะบ้านนอกไม่ไม่น่าจะมีไปนนั้นนะ เดนี่มีมีความทะเยอทะยันฉั้นพวกนี้เข้าไปอยู่เดนเขาก็ยิ่งรับรู้หลายเรื่องหลายราวฉะนั้นต้องการมีบทปาทนะมีอํานาจสิทธิมีชื่อมีเสียงมีการอยากบริหองบริหารเข้าไปมันเป็นความต้องการพื้นฐานชีวิตของมนุษย์สุดท้ายคือต้องการมีวัฒนธรรมมีขนรรมเนียมมีประเพณีของตัวเองมีอะไรเนี่ยเห็นไหมอย่างปากใต้อย่างนึงมันมาเดี ถ้าต่างประเทศนะอย่างในมีการในอังกฤษมันไม่มีอะไรจะทํามันไม่เป็นเหมือนเราอะ่ะไม่เป็นภาคนั้นภาคนี้บปนี่เขาก็เอาสีผิวมาอ้างผิวขาวผิวเหลืองผิวแดงผิวดํามีปัญหากันเน่ะทีเนี้คืออัตราตัวตนเนี่ยมันต้องหาจุดของมันอยู่ดีจุดแนวร่วมของมันน่ยเป็นฝักเป็นฝ่ายดีนะคนอีสานนี่เป็นคนธรมธรมะธโม กล่อมได้ง่ายมาตรการหกสิบหกทับสองสามเอามาแก้ไขปัญหาเนี่ยนะความคิดของเบ้งบิ๊กขี้วอะไรประมาณใช้เนี่ยสมัยนั้นป๋าเปรมยังพออยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะเขาเคารพพระไงเคารพพระศรัทธาพระพระพูดจบนะคุยด้วยจบไม่มีอะไรตัวตนมันน้อย น, นายบัยนันนคือลึกลึก เขาเป็นคนธรรมะตะโมอีสานคนอีสานเป็นคนจํานวนมากของประเทศนะมีทกหย่อมญ้านะไปไล่ดูดินในบ้านเรามีคนอีสานไหย ม, มีโรงงานหนึ่งมีไหมคนอีสานถ้ามันเนี้ยเหนียวหน่อยเนี่ยชวนมันปฏิวัติยึดประเทศไทยนี่เสร็จเลยนะเนี่ยแต่ว่าคนอีสานเป็นคนใจดีไง นะไม่ได้ไปตื่นเต้นกับอะไรอเอาหมอปฏิวัติน้ำกูบอเอ้ยเจะเฮดดอรมันอันิจังนะเน่ยมันไม่เที่ยงเดียวหลยเราก็ตายแล้วคิดอะไรมากมันไม่ค่อยเอาอ่ ะ, ะอีสานก็คือตามเขาไปตามเขาไปเวลาเขาร ะ, ะเบิดเกิดไปใครไปมันไดน้แต่ชอบฟังอีสานไปมันมีคนเสรตไปฟ้อนหมอลำซิ่งอยู่หน้าฮ า, านคนอีสานเป็นคนเพลิดเพลินดี จิตใจดีนะเขาไม่ได้ยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากมายแต่ว่าการรับข้อมูลข่าวสารนี่มันมีเหมือนเหมือนกันนั้นมันก็อยากได้อยากเป็นอย่างมีมันหนึ่งเสียงนะคนนีมันเจริญอัตราตัวตนมันโตขึ้นนะ่ะเข้าใจไหมอัตราตัวตนเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นมันอยากได้สิทธิ์ได้เสียงอยากมีนะมีส่วนร่วมในการบริหารอยากมีการรับู่ม อยากเป็นเอาแล้วเขาก็มายอมแล้วเป็นเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากก็ดูดีถ้าเสียงส่วนมากอยากได้เนี่ยจำเป็นไม่จําเป็นก็ช่างเธอะเสียงส่วนมากอยากได้นะฮะทไปเถอะประชาชนทีป่ปไตยทําไปเถอะเสียงส่วนมากมันหลายเสียงไอ้เสียงส่วนมากนี่เป็นเสียงที่ไม่รู้เหรอมไม่ใช่นะเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเสียงส่วนมากใช้ไม่ได้เนี่ย มันเหมือนดูถูกว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงของอวิชชาเสียงของความไม่รู้เสียงของคนโง่นะแต่ความเป็นจริงการศึกษาดีวัฒนธรรมดีอะไรดีมันเหมือนเหมือนกัน น, ะนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องตัวตนเป็นเรื่องอัตตาตัวตนความยึดมั่นในสิ่งที่กูก็คือกูนะเนี่ยมันขึ้นมา มึงไม่ยอมรับในกูกูไม่ยอมรับในมึงขึ้นมามันก็เลยปัญหามันก็เลยเยอะอนั่นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาหล่อหลอมนานอะเนี้ยตอหลอมนานถ้าพูดในแง่ของสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีใครถูกมีใครผิดนะสังคมเนี่ยคือสมมุติดัง น, นนะั้น่ะ สมมุติอะไรที่พอให้สังคมอยู่ได้ยอมรับกันเถอะแท่นั้นเองมันพออยู่ได้เนี่ยไอคนยึดมัน่นถือมั่นนะ่ยทั้งถูกทั้งผิดสุดท้ายคือตายนะได้อะไระเราอยากได้อะไรเกิดมา น, นี้เราอยากได้เอยากอนุสาวรีย์เหรออยากตายเหรอไม่อยากนะนะโลกนี้ก็ไม่อยากให้วุ่นวายแบบนี้ไม่อยากให้ลูกหลานเรารับมรดกแบบนี้ เราก็ทำงันดิปัญหามันเฉพาะผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะพาเขาเป็นไง ม, มันก็เลยวุ่นวายสุดท้ายนะอันนี้ปัญหาของความรู้สึกนึกคิดที่คนเขามีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเรายอมรับกันว่าคนคนหนึ่งก็คนเนะ่ยจะง่ายคนก็คือคนเนะี่ง่าย แล้วทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถามว่าเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยแล้วมันสบายไหมอยู่ดีกินดีสบายมันก็ยังไม่สบายนะเพราะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติสงบนี่มันง่ายมันไม่ยากอะไรอ่ะมันง่ายมากแต่การแก้ปัญหาให้จิตมันสงบเนี่ยมันจะยากคือให้สงบจากกิเลสของใครของมันเนี่ยนั่นคือปัญหาสตว่ามี ประเทศชาติสงบแล้วก็ยังมีลาค่ะนะยังมีโทสะนะยังมีโมหะนะเราไม่แปลกใจนะประเทศนั้นปกครองแบบนั้นประเทศนี้ปกครองแบบนี้เป็นความมณิสางเป็นประชาธิปไตยกึ่งใบสองใบสามใบห้าใบเจ็ดเป็นธรรมชาตินะคือสังคมแต่ละประเทศไ ม, ม่เหมือนกันเขาก็ต้องมีกฎระเบียบมาคุมฝูงชนเขาไว้อะ คนนี่มันมีความคิดแบบนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นต้องระบบแบบนั้นระบบแบบนี้บางประเทศมีระบบศาสน า, าพอไม่มีอะไรมากมายแต่ประเทศไทยเรานี่มันเป็นคนตามใจอ่ะยางอีสานเนี่ยเอาศาสน า, า, า, าคลุมน่ะมันเหมือนอยู่นะนะอยู่แต่ประเทศอื่นเขาไม่ค่อยอยู่ดินะไม่ค่อยอยู่ก็เอาอะไรหลังเอาวัตถุนิยมเข้ามาคลุมมะครอบงา เอารูปเอารถเอากินเอาเสียงเอาไม่เคลื่อนแจ๊กสันมานะเอาอะไรมาคุมสักพักนะมันก็อยู่คือมันสนุกมันเพลิดเพลินคือเอ า, าศาสนาวัตถุนิยมคือรูปรถกินเสียงคลุมมาไว้เดี๋ยวนี้มันเข้ามาคุมแทนนะแต่ปัญหาว่ามันเอามนุษย์ไม่อยู่ปัจจุบันจริยธรรมก็เลยเข้ามามีบทบาทแทนาศาสนานะกฎหมายเข้ามาจริยธรรมเข้ามามันก็พอคุมอยู่ได้ แต่มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองเห็นว่าอมันก็ยังมีปัญหานะจริยธรรมาคนมันไม่ยอมรับ ม, มันก็ต้องเอาปรัชถธรรมมาปรัชมาธรรมคือการให้ก็ต้องให้เข้าถึงความจริงของชีวิตยังโกรธเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เ อ, าอ้าอยากดับความโกรธไหมเนี่ยเป็นเรื่องปรัตมาธรรมแล้วโกรธเกิดจากอะไรมาเฝ้าดูมันอย่างเงี้ยแต่จริยธรรมคือการ อ, าอะไรนะ ประพฤติอยู่ในกรอบสังคมเขาทําอะไรเขาให้บริจาค ก, ก็บริจาคเขามีบุญมีทานก็ทําตามเข้าไปเขาแต่งตัวแบบนี้ไปโรงเรียนก็ต้องทําแบบนี้ขาสั้นต้องขาสั้นนะขายาวของขายาวอย่าไว้เล็บหนะ้าจันทร์เนี่นยนี้นะเมียต้องมีคนเดียวมีมีคนเดียวประเทศจีนนี่เขบาบังคับไม่มีภรรยาคนเดียวนะประเทศจีนนะี่ยดูดีจังะ ขนั้นมีคนเดียวนี่ก็ยังจะล้นประเทศอยู่ถ้ามีห้าคนมันก็ล้นนะเนาะยิ่งยากก็ไปอีกเนี่ยเขามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแบบนี้นี่ถ้าอยู่แบบนี้มันก็สงบได้อยู่แต่พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาแห่งการหลุดพ้นใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องของการจันลงสังคมไม่ใช่เรื่องของอะไรอันนั้นเป็นเป็นผลพอยได้เพียงแต่ว่าที่ทำที่เหตุนี่ผลมันเป็นไปนหมดอั น, นั้นมันออกผลออกดอกไปหมดเลย คือศาสนาของปัญญาชนนนี่คนไหนที่ต้องการความสงบสงัดภายในความหลุดพ้นเนี่ยผู้ศาสนาเขามีแล้วเขามีในทุกระดับมีทุกระดับของความรู้ตั้งแต่ศาสนาศาสนาคือคาสอนเพื่อการหลุดพ้นนะแลดับลงมาต่ำลงมาเป็นประชียาเป็นจริยศาสตร์ เป็นหมดเลยอะ่ะเป็นกฎหมายเป็นอะไรตานี่มันมีอยู่ในนี่หมดนะเป็นไว้แต่เราจะมาหยิบเอาตรงไหนมาใช้อะ่ะศาสนาพุทธเนี่ยคุณจะยิบเอาตรงไหนมาใช้คุณจะฝึกสติสักน้อยเอาพอเป็นพิธีกันเหรอก็มีให้นะทางตะวันตกเขามีแต่จริยธรรม มีกฎหมายแต่เขาไม่มีวิถีของการหลุดพ้นเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะแต่ดีเขาเริ่มตื่นตัวแล้วนะเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมสื่อสารนี่มันกว้างไกลแต่ก่อนมันต้องรับรู้ต้องแอบรู้นะแอบเปลี่ยนนะศา ส, สนาเนี่ยแอบเปลี่ยน น, นี่ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรับรู้ได้หมดนะเด็กอยู่ที่บ้านนอกเนี่เต้นบัลเล่เป็นนะนะ เพะมันดูในทีวีอ่ะ ม, มายากลเป็นเรียนภาษาจีนเป็นอยู่ในห้องนอนก็เป็นเนี่ยมันก้าวไกลมันถึงกันหมดนั้นศาสนาก็เหมือนกันความรู้ทั้งนั้นศาสนาเนี่ยมันมีกว้างไกลมันไปไกลคนต่างประเทศเอา้าททำเล่นๆ น, นะวัดสมมันนั้นเนี่ยเขาก็ยังมาปฏิบัติทำ ต่างประเทศนอร์เวย์ญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดานียชิลีวเนะั้นเขาคงมีเพื่อนคนไทยมากนะเป็นคนเป็นสตาฟคอยไ่ให้ที่ปรึกษายอย่างโน่นนี้นปุ๊บเขาเหมือนเข้าใจเอามาเพราะคนมันเฮ้ยมันถูกกับโรคที่เขากำลังเป็นเนะ่ยโรคโรคโกรธหลงเนี่ยไม่ใช่มันเกิดกับเด็กนะศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเด็กๆนะ ศา ส, สนาของคนมีปัญญาเป็นศาสตาจารย์เอา้ามาปฏิบัติธรรมเพาต้องการหาที่พึ่งเพื่อความหลุดพ้นไงสุดยอดของเคต็ับวิชาคือวิชาของความหลุดพ้นการดับทุกนั่นเองทุกนี้ให้มันดับเหมือนหลวงพ่อพุทธทาตันผู้ละตายเสียก่อนตาย ตายเสียก่อนที่เราจะตายเนี่ยดับมันก่อนไม่ให้มันมีเชื้อไปเกิดอีกเขาตะโกนกันทั้งบาง้านทั้งเมืองบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเข้ามาวัดครั้งแรกตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์มานี่ไหว้พระแบบนี้ก็มีเหรอเอา้าแล้วมันจะมีแบบไหนเนี่ยกูเพิ่งเห็นน ะ, นะเห็นคนมาเนี่ยโยมเขามาทำบุญวันหนึ่งสะโนตะนี่ยเภ อ, อทางน้นะ ทั้งสูงสูงไปนกนเยอะนะนะมีประเทืองเยอะนะปละเนะี่ยเข้ามาเขาก็ดู้อ๋ยเขาไม่เคยเห็นนะ่ะเขาว่าชีวิตเขาตั้งแต่เกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่มาเขาเห็นแต่พระกระเทยมาที่นี่ดูเวลาท่านลุกขึ้นเอวก็ไม่อ่อนนะอะไรก็ดูน่าศรัทธาเรื่อมใสนะเลยบริจาคมาบำรุงพระสองร้อยบาท สนับสนุนกิจกรรมของไม่เคยบริจาคถึงห้าสิบบาทนันชีวิตนี่เขาบอกนะเดี๋ยวก็ประกาศแล้วอันนั้นอันนี้นทำผ่านบายสเีย้ยทำกิจกรรมมโนธรรมนี่นประดับภาพบา ร, รุงอะไรเขาทำดีอ่ะแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีอ่ะปุริโซสิเป็นผู้ชายจริงไหม มาบวชเขาจะถามนะอนโนซินาซีอะไรเฉปาะตอนุญาโตสิมาตาพ่อไม่อนุญาตแล้วเหรอมันผู้ชายจริงหรือเป็นคนจริงไหมเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ไหมแท้ห้านี่นะอะมะพันเตไม่ได้อะนี่ต้องตรวจสอบเดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบกลุ่มกุ๊บเลือดด้วยซ้าไปมีเอดเข้ามาไหมมาเป็นโลกปอดโลกเปิดเอามามีตะโกนผมมันใช้มันติดกันนะ่ะ กีฬาโซ่เป็นหิดเป็นกลากไหมเป็นโรครมว่าหมูไม่มาอยู่ในนี่นะในพระไตปิดกก็จะมีหนึ่งว่าหยุดสวดพระไตปิดกได้ถ้าเกิดผีเข้าพรนะเนี่ยผีเข้าพระก็คือเกิดมันช็อกนะมันช็อกมันเป็นลมเป็นโรคของเขานะต้องหยุดพยาบาลก่อนนะนะไม่ใช่สวดไปเรื่อยปล่อยมันชักอยู่เรื่อ ย, อย ไ, ม ไ, มไม่ใช่ แต่เราคิดว่าเป็นผีเป็นวิญญาณนู้นวิญญาณนี้มาเข้าไม่ใช่นั้นต้องดูแลเอา้าต้องหาพระจริงๆจริงเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มไม่มีแล้วนะ่ะเดี๋ยวนี้ยมันน้อยนะมันไป<ใ>นทุ ก, ทกสังคมนะอะไรเขาเรียกอะไรตูดหรืออะไรตุ๊ ด, ดนะนดไม่ค่อยเข้าใจใ น, นะสอ บ, สบแบบนีน้เป็นฝรั่งหรือภาษาฝรั่งหรอตุ๊ดเนี่ย ผมตายนึนว่าพวกชอบตูดก็เลยเรียกว่าตูดมันมนีันมันต้องไ ม, ไม่ค่อยเข้าใจนะนะมันเป็นไปหมดเนะ่ยปัจจุบันเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะหาพระดี ด, ดีจริงยังจั ง, จงสักรูปไม่เจอไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าเพิ่งมาเห็นพระตนนั้นตนนี้พระเราก็ไม่ใช่ดีแล้นะมีแต่พระชั่วๆมาทางนั้นนะนะ แต่ก่อนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทเท่าไหร่นะโอวันสาแนละ้วพวกที่จบเพสัชก็ศึกไปนะเขากวาดล้างเข า, าบวชนะพวกเพสัชขายยานะไม่ได้ตั้งร้านนะขายตามตอกซอกซวยนะวันนะนะนะขี่มอเตอร์ไซค์หาขายระมันนะใส่ถุงย่ามไปนะบางทีก็ขายกลางคืนเนระ ไม่ได้ไปตัวเปล่านะกี่รถไปนี่ก็พกปืนพกมีดนะวนัเนี้ห่อแพ็กอย่างดีอ่ะบางทีบางคนมึงเอาย่ามพระใส่ไปก็ามาพึ่งบารมีพอหลบกฎหมายวันี้นะ้ตาผมขายานะบวชได้ไหมโอี่ทำไมจะไม่บวชองคกุลิ ม, มานฆ่าคนมากก็นี้ยังบวชได้เลยสำคัญว่ามึงจะเอาจริงไหมธนัินท์บวชเข้ามาแล้วไม่มีเวลาลนะ คนสูบบุหรี่ก็ไม่มีเวลาสูบแล้วทำไมนึกอยากสูบเมือนกันนะแต่มันไม่มีเวลามือนี่เอามาสร้างจังหวะตลอดมันไ ม, ไม่รู้จะหยิบบุหรี่ตอนไหนตายนั่นแล้ ว, ลวมามันก็จะหายนะคนเขียวมากไม่มีเวลาจับหมากจับอะไรนะสร้างจังหวะหมดวันหมดคืนนจะ ล, ลึกรู้ง่ายทำความเพียรสังคมมันก็ดีขึ้นได้ ขอา้ามีคนสำนึกดีจิตชั่วแว บ, บเดียวนะทำให้คนเป็นคนดีได้ชั่วมาแปดร้อยครั้งมาสำนึกดีที่นี่แว บ, บหนึ่งแล้วพัฒนาต่อนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วเราไม่ได้ตีตราให้ว่าท่านชั่วไม่คนเท่ากันนะ่คนดีคนเก่งไม่เก่งอะไรมาเถอะปฏิบัติทาเถอะพระพุทธเจ้า ว, ว่าเหมือนไฟความสอนตถาคตเหมือนไฟเหมือนแสงสว่างในกองเพลิง มีไม่คนนี่สว่างคนนี้ไม่สว่างเหมือนน้ำคนนี้กินได้คนนี้กินไม่ได้ไม่ใช่น้ำเลยบอกใคาอยากกินก็กินใคาอยากตักก็ตักทำไปเถอะสบาย